ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าลูกศิษย์ไม่รักดีและวันนี้เป็นวันที่ห้า ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระขึ้น8ค่าเดือนเจ็ดอีกวันพระหน้าก็เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปรวรณาออกพรรษาเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งอย่างที่เคยปฏิบัติมาทุกวันพระ8ค่ำ15ค่า วันนี้ก็คือวันหนึ่งพวกเราได้มาร่วมกันตอนเช้าก็ได้ทำกิจกรรมไหว้พระและก็สมาทานศีลห้าและก็ศีลแปดศีลโสดจากนั้นก็ได้บาเพ็ญกิจกรรมภายในวัดพัฒนาวัดตามที่เห็นสมควรแต่เย็นนี้ก็ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเย็นต่อนี่อไปก็จะได้ฟัง หลวงพ่อกล่าวสัมโมรณ์ยกถาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเพราะว่าทุกคนพวกเราจัดโยมทุกท่านที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลวงพ่อเองที่อยู่เป็นฝ่ายพระสงฆ์เปรียบเทียบเหมือนช้างเท้าหน้าศรัทธาญาติโยมเหมือนช้างเท้าหลัง ช้างเท้าหน้าต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องถ้าไปเดินไปทางผิดช้างเท้าหลังก็เดินผิดไปด้วยเพราะนั้นช้างเท้าหน้าจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการศึกษาอันไหนผิดอันไหนควรอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรหลวงพ่อได้นํำทำคําสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ประทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาไดเรียนมาได้ศึกษามาแล้วก็ได้นามาประพฤติปฏิบัติจึงได้นำมาบอกกล่าวหรือว่าแนะนำสั่งสอนจาัดโยมพี่น้องประชาชนพระเนรที่มาอยู่กับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจว่าการแนะนำสั่งสอนหรือว่าการบอกกล่าว หลวงพ่อจะอ้างอิงพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนหวงพ่อมาหลวงพ่อจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติมามาบอกกล่าวสืบทอดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ตามท่าพวกท่านทั้งหลาย ที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดกล่าวไปไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยมันแปลกแหวกออกไปก็หลวงพ่อยินดีที่จะรับฟังเสียงสะท้อนย้อนกลับมาหาหลวงพ่อเหมือนกันไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดไปแล้วก็จะเป็นถูกร้อยเปอร์เซนก็ไม่ได้รับรองถึงขนาดนั้นแต่ในใจของหลวงพ่อเนี่ยรับรองให้เกินร้อยแต่ว่า แบ่งรับแบ่งสู้ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับรับการศึกษามาอาจจะมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างออกไปก็พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลทุกทุกท่า น, นกับการศึกษาของแต่ละท่านนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ก็ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าเยพระธรรมแปด0มืสี่พันพระธรรมมาขันกสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะยิบจุดไหนหรือจะยกจุดไหนออกมาประกาศเผยแพร่ออกมาบอกกล่าวออกมานำมาชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนจัดทาญายาโยมได้ฟังแต่บางทีก็จับมาบับางประเด็นก็ บางทีก็มีการถกเถียงกันบ้างอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบ พ, พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาสุดท้ายภายหลังจะให้เหมือนในครั้งพุทธการเด็กๆฟังจากเฉพาะเด็กฟังจากพระพุทธเจ้าจริงเฉพาะพระพุทธอภัยเจ้าจริงแต่กระนั้นออกมาก็ยังออกมาประกาศเผยแพร่ก็ยังแปลกแตกต่างมีความที่เห็นเพราะว่า นา น, า, นาจิตตัง น, า, น, า, น, า, นาทัตนานาทัตสนะเมื่อฟังจะพ่อพระพักพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าพอออกมาแล้วความคิดของตัวเองเข้าไปในจุดหนึ่งกตีความหมายออกมาอย่างหลวงพ่อกเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมเทศนามาด้วยกันพอออกมาแล้วตีความหมายออกแตกแตกแตกต่างกันคือบางองค์ก็แตะตีด้วยศรัทธาบางองค์ก็ตีด้วยปัญญาตีด้วยศรัทธาค่ะค้าว่าว มีความเชื่อใครเขาว่ามีลักษณะอภิเนหรนลักษณะอย่างนั้นแต่บางองค์ก็พูดตรงตรว่าไปวิเคราะห์ด้วยปัญญาทำพูดอย่นี้ท่านมีความหมายอย่างนี้แต่แปลอย่างนี้มีจุดประสงค์อย่างนี้ขนาดเราฟังมาด้วยกันก็ยังมีความคิดเห็นแปกแต่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกัน ผมหลวงพ่อมั่นใจน่าจะเป็นอย่างนั้นพอพระ พ, พุทธเจ้าตรัสพระสงฆ์ทั้งหลายก็นำมาประกาศนำมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราแต่บางองค์อาจจะจับประเด็นหนึ่งบางองค์กดจับประเด็นหนึ่งในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันท่านก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าตาบอดคำช้างลักษณะอย่างนั้นคือพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าพูตาดี ทำช้างเขก็เห็นอันนั้นหูอันนั้นหวงอันนั้นงาอันนั้นขาอันนั้นหางอันนั้นสีข้างอ่ะอันนี้คือตาดีมองก็เห็นได้ว่าอันี่คือช้างแต่ตาบอดเถอาเนี่ยพอตาบอดหลายหลาคนสี่ห้าหกคนพอคําจับขามันอุกขาช้างคนหนึงจับขามันอู้ ช้างเนี่เหมือนกระต้นเสาฮะแต่คนหนึ่งไปจับสีข้างมันบอเอยช้างนี่ยมันเหมือนกับฝาบ้านฮะแต่คนหนึ่งไปจับพางคนหนึ่งเออช้างเนี่ยเหมือนกับไม้กวาดฮะคนหนึ่งก็ไปจับงามอีกงามันเกลื่อนกระทนไม้่ะอย่างนี้เป็นต้นพอทีคนนึงไปจับหูมันคนอื่นช้างเนี่ยเหมือนกับกระด้งนะ คือสรุปแล้วก็คือมันไม่ได้จับทุกตัวมันไม่ได้ลูบคลาทั้งตัวเพียงแต่จับจุดใดจุดหนึ่ง น, นี่แหละอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายก็ในลักษณะอย่างนั้นคือพวกเราได้ศึกษามาก็บางทีก็จับจุดใดจุดหนึ่งแต่ถึงยังไงพวกเราอย่าไปว่ากันทีนไม่ให้ว่ากันให้เข้าผู้ใดพูดเข้ามาที่มันเข้ากันได้ เรื่องศีลมีความหมายยังไงเรื่องทานมีความหมายยังไงเรื่องศีลมีความหมายยังไงเรื่องสมาธิเ ร, เรื่องวิปัสสนามีความหมายอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องมาฟังอีกเลยเพอบอกครูบาอาจารย์แต่ละองค์เอามายย่อยให้แก่พวกเราให้เข้าใจอย่างทานอย่างนี้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานบางองค์ก็อาจจะไปอย่างหนึ่ง แต่หลวงพ่อประวาติทานครๆว่าเป็นการเสียสละมีน้ำใจต่อกันแต่โลกทั้งโลกไม่มีการเสียสละไม่มีน้ำใจต่อกันโลกอันนี้เหมือนกับขาดน้ำเชื่อมเหมือนกับเข้ารถช่องอย่างนี้แหละจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเชื่อมไม่มีมันกะหารถหายชาติไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ด้วยแกลนแกลนแห้งแห้งแรงแ ร, ง, แรงไม่มีน้าใจแต่มีทานคือการเสียสละ อามิชทานวิทยาทานอาภัยทานธรรมทานถ้าพวกเรามีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็สงบพรมเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันก็ยิ้มแยม้มแจ่มใสพึ่งพาอาศัยกันได้อันนี้คือฐานะถ้าโลกทั้งโลกขาดการเสียสละต่อกันแล้วพวกเราคิดดูสิว่า ธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะยืนยาวมาถึงขนาดนี้เหรอถ้าไม่มีการเสียสละเมื่อรู้แล้วก็จบไปไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันนี่แหละถ้ามีการแนะนำสั่งสอนกันก็เป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนพวกเราได้นำมาปรับคิปฏิบัติก็จิตใจก็ได้รับความร่มเย็นเป็นถุกและศีลคือสารวมกายวาจาให้เรียบร้อย คนที่มีศีลไปณสถานที่ใดก็บดินที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ละแวงแคลงใจกันเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่คิดจะฆ่ากันถึงยังไงก็ไม่คิดขโมยกันแต่ไม่ถึงยังไงพวกเราก็เคารพสิทธิในสามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกันยังไงพวกเราก็ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันแต่ถึงยังไงพวกเราก็คงจะไม่ดื่มของเสพของเมือนเมาจนขาดเจตีเมื่อขาดเจติแล้วเกขาวฟัน ฆ่ากันลังแกเบียดเบียนกันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะเรางดไม่เสรของมึนเมาอยู่แล้วอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือสินห้ามีอยู่กับทุกคนใจเขาใจเราะนี่ก็คือสินเรื่องสมาธิก็คือแนวความคิดจะทำยังไงจึงจะคิดเป็นสัมมาทิฏฐิคือทางที่ถูกต้อง ถ้าพิษยังไงเป็นมิจฉาทิฐิคิดที่ไม่ถูกต้อง อ, อันคิดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีกับทุกคู่ทุกคนกับทุกวิญญาณกับทุกยุค ท, ทุกสมัยเหมือนกันอย่างทุกวันนี้พวกเราได้ยินเดี๋ยวนี้กําลังอโด่งดังพระเป็นอย่างโน้นพระไปอย่างนี้ะทับอากัศกิริยาไม่เหมาะสมอย่างอย่างนี้อย่างทุกวันนี้ะ พวกเราก็เห็นในสื่อต่างๆแต่พวกเราก็อ่อน อ, อกอ่อนใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยทําไมมันเป็นทําไมเป็นอย่างนี้แต่พวกเราจะไปอ่อนใจเพราะโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดในครั้งพุทธกาลก็มีครั้งไหนๆก็มีเอบางครั้งบางยุกบางสมัยยิ่งกว่านี้อีกมันไม่ใช่จากพระมันทุกวงการ แต่จะเอามาปกประกาศเผยแพร่หรือไม่เท่านั้นแหละหถ้าเอามาเผยแพร่แล้วนั่นแหละอย่างยาเสพติดก็เหมือนกันพวกเราว่าเนี่ยอันไหนคือยาเสพติดติดของมนุษย์พวกเราก็ว่าเนี่ยแหละคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนแต่สําหรับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าการมัิเกล็ดเป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรง แต่นี่มันเสพติดเกือบทุกคนก็เลยพูดไม่ออกพอพูดมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกอย่าพพู ด, อ ย, พ ด, พ อ, อ, ดอย่าพูดพอมันเจ็บมันเสพติดทุกคนอย่าพูดฮั่อยแหะพอมันเสพติดของภายนอกกว่านั้นมันก็เสพติดแต่ว่าตัวนี้พระพุทธเจา้าตัวนี้ตัวร้ายแรงที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกสิ่งเหล่านี้ แต่เราจะพูดหรือไม่พูดเท น, นั้นแหละถ้าพูดขึ้นมามันก็กระเทือนมันกระเทือนใจลึกๆแต่ถ้าไม่พูดพวกเราก็จะมองไปอีกมุมมุมมองนึง่ว่าโลกทางโลกนมันเป็นอย่างไรเพราะโลกทางโลกมันมีหลายแนวความคิดมันน า, นานาจิตต่งนางนานาทัศนะพราะนั้นเรื่องพระสองฆ์องค์เจ้าก็ดีเรื่องคณะสัทธายาตโยมก็ดีขั้นผู้ใดใครทุกคนในในโลกนี่มันมี สิ่งที่ควรหรือไม่ควรมันเกิดขึ้นได้ทุกเวล่ำเวลาที่ว่ามิจฉาทิฐิสัมมาทิฐิมันเกิดอยู่กับไม่ได้เลือกว่าเป็นคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าไม่ว่ า, ไ ม, วาไม่ว่าอยู่ในระดับไหนมันมีโดยการทั้งนะั้นอย่างในครั้งพุทธการมันไม่น่ามีมันก็มีไสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าปาราถึงลูกศิษย์ของพระ มหากระสปะพระมหากระสปะท่านชอบอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในที่สงบ อ, อหลีกเล้นอยู่ตามป่าดงห่างจากหมู่บ้านแต่ท่านมีกระท๊อปแลมีที่พักเ อ, อเป็น อ, อรั ญ, ญาวาสีคืออยู่ในป่าท่านก็ไม่มีท่านไม่มีพวกมากนี่องสองสามอง ที่อยู่กับท่านแต่ขนาดนั้นก็เถอะพระอยู่ด้วยการขนาดนั้นน่าจะมีสิทเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับพระอราหันต์อีกต่างหากอยู่กขาพระมหากัะจปาอีกต่างหากท่านก็เป็นธรรมอยู่แล้วแต่ผู้มีผู้พระที่อยู่ด้วยเป็นอันตภานก็มีไม่น่าจะเกิดนไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเพราะเหตุอะเพราะว่าคนมันมีกิเลสทุกยุกทุ ก, ท ก, ทกสมัย ความอิจฉาพยาบาทด้วยความเห็นแก่ตัวโกหกพกลมมันเกิดขึ้นได้ทุกการสถานที่อันนี้หลวงพ่อจะยกให้ฟังที่มาในพระไตรปิฎกภาษาพระมาหาคตปะสมัยนั้นท่านอยู่ในเขตแขวงกรุงราชพฤกษอยู่ในป่าท่านมีลูกศิษย์อยู่สองแต่องหนึ่งนะชอบโกหก แต่องหนึ่งชื่อสัตสุจริตปณิบัติพระมหากัจปะพระมหากัจจะท่านก็ก็ท่านก็ง่ายอยู่แล้วทุกอย่างเพราะท่านไม่ได้ไม่เรื่องมากอี่แล้วท่านอยู่ในสถานที่ใดท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือท่านกำหนดดูจิตใจท่านสมาธิของท่านท่านก็อยู่แบบสบายๆแหอท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร แต่มีปัญหาท่านก็นแก้ไขไปคนมาหาท่านก็เทศแสดงทําให้ฟังท่านอยู่ตามลำพังแต่นั้นมีพระสององค์ที่อยู่ด้วยแต่องค์หนึ่งเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คงองค์หนึ่งนี่ชอบเอาเอาหน้ามันมีนะักพระชอบเอาหน้าก็มีในครั้งพุทธกาลในครั้งครั้งกานุนจาเป็นนิทานมานี่ก็พระมหากัสปา ท่านก็รู้แต่ท่านก็ดูๆแต่พระสององค์นีเกออเวลาตอนเช้าไปตั้งน้ำไม้สีฟันถวายพระมหาพระพระเทรก่อนที่ท่านจะออกมาจากห้องจากนั้นก็องค์นี้ก็เข้าไปกระผมได้ตั้งไม้และน้ำไม้สีฟันน้ำอุ่นไว้แล้วกระผมเพื่อล้างหน้ากระผม แต่ตามไม่จริงตัวเองไม่ได้ทําองค์หนึ่งเป็นองค์ทำนะแต่องค์นั้นก็เงียบปิดทองหลังพระนะพอถึงตอนบ่ายองค์นี้ไปบินระบาดมามาฉันแล้วขึ้นไปนอนกุฏิองค์นี้ก่อนพอฉันเสร็จแล้วก็พอตอนบ่ายก็ไปต้มน้ําแต่พอต้มน้ําใส่หม้อเสร็จแล้วก็พอน้ําควันพุ้งขึ้นมาองค์นี้ก็ตื่นโมเมียขึ้นมาเห็นน้ําพุ้งขึ้นมานะไปกราบพระเทระ พ ร, ร, ระคุณท่านครับผมกระผมได้ต้มน้ําอำสงเจ็บแคบร้อยแล้วกระผมขอเนี่มุนสงน้ํากระผมพระมหาเทระได้เวลาจึนก็ไปสงน้ำํำแต่องค์นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแต่องนี้แปลว่าเสนอหน้าเนี่ยพระในครั้งพุทธกาลมันมีนะไม่มน่ามีแต่มันมีฮะเพราะกิเลสสมัยโน่นกิเลสสมัยนี้ มันคืออันเดียวกันแต่นี้ก็ต่อมาจะในองค์ที่ปิดทองหลังพระเลยก็เอจะแก่เผ็ดยังไงนะกับองค์นีนาเนี่ก็หาวิธีการอะไรกัเน เ, เพราะมันหลายครั้งต่อหลายหนน่ะมิจตจะเสนอหน้าอยู่ตลอดองค์เนี่ยเอาหน้าตัวเองตลอดวันหนึ่งก็เลย <c oughs> ไปต้มน้ําขึ้นมาพอต้อมน้ําขึ้นมาแล้วก็ เอาน้ำเนเทออกเทน้ำออกจากจากหม้อเอาไปไว้ทางหลังห้องน้ำแล้วก็เอาน้ำใส่ในหม้อนะกระบวย y หนึ่งแล้วก็เอากระบวย y วางไว้ข้างบนตอนนี้องค์นี้ก็พอพิบินธบัตมากำมานอนตื่นขึ้นมาเห็นตะวันพุ่งขึ้นมาไอในหม้อก็เลยเห็นแล้วก็ โอ้น้ำองค์นั้นต้มแล้วพร้อมที่จะถวายรายงานส่งน้ำได้แล้วตัวเองก็ขึ้นไปพอไปกราบปกขอให้มนท่านป้าจานครับเอ่ยมนท์ส่งน้ำกับผมน้ำเดือดแล้วก็ผมแต่นี่ก็พระเทลาก็เออท่านก็ลงมาลงมาตัวเองกับมัวเมียไปกไปจับขันน้ำ ล้วงลงไปในหม้อน้ํามันดังโคกลากเถอะนี่มันไม่มีน้ำเลยจะเนี่ยน้ํามันพีเพียงกระบวยเดียวเพิ่มให้ไฟไม่มอท่านเองไอ้ไม่แต่ควันขึ้นมากันรู้เลยว่าอองค์ที่ไอ้องค์ที่เพื่อนกันนไอแต่้มเราแล้วไอ้เขาเขาแก้เผ็รเราแล้วแต่เด็กโมโหขึ้นมาจมบุบบุบบุบเอาน้ําทําไมไม่ใสจะงรู้จังงี้แต่พระมหาเทวราชพระมหากัตถปา ท่านรู้อดีตอนาคตปัจจุบันแต่ท่านก็ทำํำยังไงที่เฉยเหมือนกับเลดา้าเลดา้าไม่ใช่กว่าจะกลางไว้ตลอดเวลา เ, เวลาไม่จําเป็นท่านก็หุบไว้เหมือนกันนะ เ, เมื่อเขาจําเป็นท่านจึงเปิเปดเสียงสองเลดา้าออกไปเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องอะไรท่านก็รู้นะแต่ถ้าว่าท่านไม่อยากจะรู้พ่มันรู้นะแล้วก็ปิดไว้ปิดเลดา้าเอาไว้ ถ้าจะเปิดเรดาร์ไว้ทั้งวีทั้งวันมองไปที่ไหนก็คงจะเห็นกิเลสของคนเต็มย้ e A เยเย้ไปหมดก็คงจะอาเจียน e ทั้งวีทั้งวันหลวงพ่อว่านะเพราะเห็นกิเลสของคนกิเลสโลภคนนั่นก็นโลภคนนั่นก็โกรธคนงงค น, น, คนี้ก็หลงคนนั่นก็รัดคนนี้ก็ชั่งท่านจะเห็นกิเลสของมนุษย์ของสรปรสั์ทั้งหลายอท่านก็คงจะหลับตาไว้เหมือนกันไม่อยากจะดูนะ อันนี้เป็นความคิดของหลวง พ, นะพ่อนะแต่ท่านพระมหาการปะท่านก็รู้ออื <c oughs> เขาแก้เผ็ดพระองค์นี่แล้วจากนั้นพอพวกนี้ก็มัวเมงเอาน้ําไปใส่เอาหม้อไปใส่น้ําเพื่อก็มาตั้งค้างหม้ออีกองค์นั้นก็เลยไปเอาหม้อน้ําที่ตัวเองซ่อนไว้นกระป๋องที่ซ่อนไว้อยู่หลังห้องน้ําเอามาสูงน้ําพระเถทลละอจากนั้นก็ท่านก็สูงน้ํา สกน้ำพอตกตอนเย็นพระสองฆ์องค์ก็ขึ้นไปเพราะขึ้นไปพามหาเถระท่านก็สอนเอยท่านท่านต้องพูดตามความเป็นจริงท่านอย่าไปโกหกอ่มผมดูดูท่านอยู่นะดูดูดลวท่านอหมเอาผลงานของคนอื่นให้ท่านท้อโกหกการโกหกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องชื่อตรง มีอะไรต้องพูดตามความเป็นจริงอันนั้นคือพระถ้าพูดถ้าทาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของพระท่านก็นสอนด้วยทมด้วยที่หนหยแต่มันคนพรและภาลชนพระที่เป็นพานเป็นภาลชนพอฟังเข้าไปแล้วมันขว้างหูถึง เ, เพราะเห็ุออไหลรเพราะมันเป็นคือคนพานคนคนไม่ดีคนภาลชน เขาสอนท่านสอนให้ดีไม่เอาหล้วเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นคนพาลไม่ยอมรับคุณงามความดีไม่ยอมรับความดีไม่ยอมรับความถูกต้องมัอมันคนพาลไม่ต้องคิดไปในลักษณะอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ท่านสอนเสร็จแล้วก็พุนิชเช้ามาก่อนนึกโมโหแล้วว่าองค์นั้นเออเาเปรียบตัวเองแล้วก็พาเทแล้วก็เข้าข้างองค์นั้นอีกอามาดุกให้เราะ ทันที่ตัวตัวเองไม่ได้มันไม่ได้มองตัวเองพระไหเพราะนั่นสก็ปุงในเช้าไปบิณทบาทพระเทเรศก็ไปบินทบาทกับพระองค์นั่นแหละองค์ที่ปฏิบัติท่านแต่องค์ที่กระบวยเปล่าเนี่ยลวงลงม้อ่ไม่ไปด้วยอพอไปกับองค์นึงก็ไปบิณทบาทอีกทางไปก็ไปบอกโยมของพระมหากระตัะป้าเทระบอกเออพระมหาเทระท่านป่วยนะอมันโกหกั ป่วยท่านไม่สบายอโยมก็เออถ้าท่านป่วยก็เอาเอ า, อาหารถวายเป็ดให้ท่านนะนี่นะอาหารท่านป่วยเป็นยังไงเอาอาหารที่อ่อนๆอาหารที่ป้าเสียละฉันได้เขาก็เตรียมอาหารไห้พอกลับมาไม่เอาไปให้ตัวเองเอาไปฉันจนะ้ะมันเป็นมันาพาโกหกเนละเอาไปฉันซะพอไปฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นต่อมาอพระมหาเทระก็ไปบินทบาทกับญาติโยมเขาก็ถามว่าพระคุณท่านพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาที่นี่บินทบาอทบอกว่าท่านพระเทระไม่สบายหายระยังครับผมพอพระเทระก็ไม่โพธิ์เมื่อวานผมก็ได้ฝากอาหารไปถวายท่านพระผู้เป็นเจ้านะผู้เป็นเจ้าได้ฉันอาหารของผมได้ถวายแล้วคงจะดีคงจะหายนะผู้เป็นเจ้า ท่านก็ไม่พูดพอพอมาท่านก็รู้ได้โอพระองค์นี้มันไปนหลอกชาวบ้านเขาเนีว่ว่าไปทําอย่างนี้มันได้เหรอพระองค์นี่พอตกตอนเย็นมาท่านก็เลยสอนพระองค์นั้นอีกท่านอย่าไปโกหกนาะท่านเป็นพระนะต้นท่านต้อ ง, อ ง, องมีวินัยนะต้องมีฮิริโอตปาะนะตรงถ้าทําอย่างนี้เป็นพระอาเลชิตาเป็นผู้ไม่มียางอายนะ มันไม่ถูกนะพระต้องอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยจะไปพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้อย่างไรไปโกหกได้อย่างไรเราเป็นพระอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะพอจากนั้นมากับองค์นี้กั็กยิ่งโมโหขึ้นมาว่าหาว่าพระพระทะุทธเจ้าว่าหาว่าพระมหาก็จะปจาเข้าข้างองค์นั้นองค์พระที่ดูแลนั้นลังเกียดเดียดฉันตัวเองเถ้าตามจิมพวกพระมหากระเจโร มหากัสปะนะท่านเป็นพระหันท่านพูดตามความเป็นจริงแต่ะละภารชนไม่ยอมรับความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วเข้ากันไม่ได้กับพวกคนผานภาลชนจากท่านพอพุ่งในเช้ามาองนี้ไ ม, ม่บินทบาทด้วย อ, องนั้นก็ไปบินทบาทกับพระมหากัสปะจากในองนี้อยู่วัดเลยคอทุบตุ่มน้ำ อันไหนที่ของใช้อยู่ในบนสาราทุบแหลกหมดผลในสุดจุดไฟเผาพอจุดไฟเผาแล้วเปิดแหนบเลวเผ่นเลยพระมหาก็จะปะมาเห็ น, หนแต่ไฟไหม้สาร า, าหมวลไฟไหม้ลูกสิษย์เผา่พวกนั้นกับไปเลยฉะใจแล้วนั่นแหละนุ่นล่ะจมมาทูดเขาคงจะบันทึกไว้อย่างหนักเพราะน่ะเอาเวจีนั่นแ่ะ มหานรลกนั่นแหละที่จะเป็นที่ไปให้พระมหาการะปะมาแล้วท่านก็เออเผาพุทธีเอาสร้างข้าวไมท้ท่านก็ทำแบบเล็กๆง่ๆายๆพจ่าโจง ก, ก็ทำจากนั้นมาพระมหาการะปะก็อยู่ที่นั่นแต่นี้มีพระสงฆ์อยู่ในละแวกนั้น ก่อนที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าท่านก็นมากราบพระมาหากัรตปะทก่อนเพรเป็นพี่ชายใหญ่องค์หนึ่งอยู่ในละแวกนั้นเขามากราบเจ็ดแล้วก็ทราบข่าวพอทราบข่าวเสร็จแล้วก็ลาพระมาหากัรตปะกำไมกราบพระพุทธเจ้าฮะพระมหากัรตะปาบอาเออถ้าไปกราบพระพุทธองค์ก็ฝากกราบลำลึกถึงพระพุทธองค์โดยหน้าผมอยู่ที่นี่พระเหล่านั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุโรงว่ามาจากไหนมาจากถินนั้นถีนี้เลยทราบข่าวว่ากัตปะ ม, มหากัตปะอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่กรัผมเป็นไงท่านผาสุกอยู่ลหรอเน่ยพระเหล่านั้นก็กลา่าวทูลเรื่องตามความเป็นจริงให้ฟังให้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระมห า, ากัตปะท่านอยู่ที่นั่นลูกศิษย์เผาสาลาแห่วอดไปทั้งหลังพระพุทธองค์บอกว่าเออลูกศิษย์ของ อ, อ, องเน่แห่นะมันไม่ใช่แต่ชาตินี้นะมันเกเลมันต่งชาติที่แล้วอีกต่างหากมันเป็นอันตพานมาแต่ชาติที่แล้วสันดานสถานอันตพานมันติดมาติดพบติดชาตินะมันเคยมีมาแล้วพระเหล่านั้นพระสงฆ์ที่นั่งฟังพระพุทธองค์ก็ได้กลาบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าสมัยหนึ่งอ่อ อยู่ในปา่าแล้วมีนกนกขับิ่นอยู่ในปา่ามันทำรังมันทารังแต่นี้มีลิงตัวนั้นหากินในละแวกนั้นมันฝนเวลาฝนตกมันหนาวถิ่นหนาวมาื่อกลัวสังงนงินงกเข้ามามันก็มาใกล้กลนกขมิ่นมันก็มาอาศัยพิงหยุด หน้าครบของไม้นกขับบินก็อยู่ในใกล้ๆอนกขับบินก็เลยสอนลิงลิงเจ้าลิงเจ้าทําไมเจ้าจึงไม่ไม่สร้างบ้านอยู่เหมือนมนุษย์เห็นไหมมนุษย์เขาสร้างบ้านอยู่แต่เจ้าก็มีครบทุกอย่างเหมือนมนุษย์เผล อ, อๆยังมีเหนือกว่ามนุษย์ยังมีหางอีกต่างหากมีหูมีตามีมือเหมือนกับมนุษย์ แต่เจ้าทำไมไม่สร้างบ้านเหมือนมนุษย์เขาสร้างเขาไดพ้พึ่งพาอาศัยอทั้งที่ลิงมันจะฟังลิงมันดิงอันตพานพอนกขมิ้นสอนเท่านั้นอนะ่ะมันก็โมโหขึ้นมาหาว่านกขมินดูถูกมันมันก็บอกว่านกนกขมิ้นถึงข้าจะมีหัวมีเอเหมือนกับมนุษย์ก็จริงทุกอย่างแต่ว่าข้าไปเจ้าไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์พรนั้นเจ้าจะมาสอนขาเจ้าเป็นใครจะมาแนะนําสั่งสอนขาเนี่ยมันคือการดูถูกข้าชัดๆพราว่าท่าานั้นลิงนันกระโดดไปขยุมหลังนกกมิน้นนกกระมิ่นกันหนีตายอีกเหมือนกันเหมือนกั น, น, นพราะลิงขยุมหลังห น, นีออกจากหลงังด้วยขณะฝนตกฮแต่นี้พระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยแหละ นกขมิ้นในสมัยนั้นคือเรามาเกิดในชาตินี้ลิงตัวนั้นก็คือเนี่ยพระภิกษุองค์เนี้ยมันไม่ชอบฟังความความจริงไม่เชื่อฟังความจริงเพราะนั้นคนที่เป็นภาระชนจะไม่ชอบความจริงจะไม่ชอบฟังความคนอื่นที่เขาสอนไม่เหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ถ้าใครสอนเขาบอกกล่าวเขาจะยินดีรับฟังในการแนะนำสั่งสอนนั้นเหมือนกับเขาชี้ชี้ขุมทรัพย์ให้เหมือนกับเราไม่มีเงินและก็มีคนคนหนึ่งบอกเนี่ยขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้นนะเราก็ดีใจไปขุดแล้วก็ได้เงินได้ ข, ขุมทรัพย์มานี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นบรรดิต น, นักปาดถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอน เหมือนกับเราเป็นคนหิวโหวยคุณงามความดีอยู่แล้วแต่ถ้าว่ามีผู้ที่รู้ที่เหนือกว่าแนะนําสั่งสอนเราเราก็รับแล้วก็ปฏิบัติตามคนนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเหมือนกับคนได้กุดขมทรัพย์ได้แล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายเมื่อเอามาใช้จ่ายคนที่บอกชี้ขุมทรัพย์ไปเขาก็ไม่ได้แบ่ง ไม่ได้แบ่งปันจากเราพีแต่เขาชี้ให้เท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันการแนะนําสั่งสอนของปาฏิบัณฑิตทัปดปาฏิให้พวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจายใจของเราเราก็เป็นผู้เป็นคนดีมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้เพราะได้รับการอบรมในการแนะนําั่มสอนจากผู้ที่ท่านรู้นี่แหละคือ ผู้ทีเ่เป็นบัณฑิตย่อมฟังคำผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าภาละชนแล้วจะไม่ยอมฟังใครทั้งหมดนี่แหละคือนิทานเรื่องนี้ท่านสอนสอนให้รู้ว่าผู้เป็นภาละชนแล้วจะไม่ยอมฟังใครถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะยอมฟังเหตุและผลผู้ที่ให้เหตุผลมาก็อย่างพระ องค์นั้นไม่ยอมฟังเหตุผลของพระอาจารย์คือพระมาหากรสปะเทระมีแต่โกรธถรือโทษโกรธเคืองผลให้สุก็ทำกรรมเสียักใหญ่ ห, หลวงทีเดียวเผาบนชลาเผาแล้วมันจะไปที่ไหนบาปกรรมรั้มก็จะต้องเข้ามาหาพระองค์นั้นอัคตังลุกกตังเสยโยปัชาตปติลุกกตังความช่วยจะทาเฉ ย, ยดีกว่า เพราะความชั่วเมื่อทําแล้วความชั่วน่าจะให้ผลเผาผ่านตัวเองเมื่อภายหลังแอมเมื่อทําด้วยความฉลาใจแล้วนะตายจากชาตินั้นก็นนะลงสู่อเวจีมหานรกอหมคงไหมอยู่ในนร ก, กนานพอสมควรเพราะเบียดเบียนพระอรหันต์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอหรือเป็นนิชาดกก็เป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละคือการเป็นอยู่ พระในครั้งพุทธกาลพระในครั้งนี้ก็คือกิเลสตัวเดียวกันราคะโทสะโมหะโลภโกตรงอยู่ในใจของคนอยู่ในใจของพระพระถ้าบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้เสียสละสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องในโลกสมมติเขาเราก็ต้องดูเว้นเสียแต่ว่ามันผิดธรรม ถ้ามันผิดธรรมคืออะไรในอย่างพระเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาอพระทําไมไม่มีคู่ครองทําไมไม่มีครอบครัวมีได้อย่างไงเพราะมันผิดธรรมไม่ในเอออันนี้ก็คือมันผิดธรรมไมยเราจะไม่ทําเพราะมันผิดธรรมแต่สิ่งไหนโลกเขาทําได้กิริยามารยาทความสวยงามอย่างไรถูกต้องเป็นธรรมอย่างไรพระก็ต้องศึกษาให้ถูกกับโลกสมมุติเา้า อย่าให้มันขวางเขาถ้ามันขวางเขาแล้วนะมันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้โลกแอนตี้โลกเขาไม่เห็นด้วยนะเพราะพระองค์เพราะพด้เจ้าของเราสมัยท่านประกาศศาสนาในครั้งนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าต้นไม้ต้นยาท่านไม่ได้ว่าเป็นของมีวิญญาณให้เขาว่าเป็นวัชพืช มันมีส่วนผสมแต่ถ้าว่าเป็นมแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่มันกระดุกกระดิกได้อันนี้เพราะว่าสัตว์ที่มีวิญญาณครองสิ่งภิกษุข่าแก้งฆ่าสัตว์มนุษย์ต้องปลาจิตติคือฆ่ามนุษย์จะต้องปลาจิตติจะเป็นฆ่ายุงฆ่ามดฆ่าอะไรก็าตามที่มันเคลื่อนไหวได้อันนี้คือมันมีวิญญาณอยู่ในนั้นถ้าเราไปฆ่ามันเป็นอาบัติฆ่า แต่ต้นยอนะไม่มีไม่มีวิญญาณมันเป็นวัชพืชมันธาตุสี่ผสมเท่านั้นเองไม่มีวิญญาณแต่คนในยุคนั้นเถนีเขาหาว่าเขาถือว่าต้นไม้ทุกต้นมีวิญญาณามีวิญญาณครองเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายไม่แพ้กันแต่นี้พระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลทุกสิทธิของพระพุทธเจา้าท่านก็ได้ย่าบ้างทัดต้นไม้บ้าง ที่มันทำทานยังกรมทำเสนาสะนะของท่านที่มันขวางท่านกดดน็ขุดดินบ้างอขุดดินบ้างตัดหญ้าบ้างได้ตัดกิ่งไม้บ้างฮะที่มันเกะกะคนทั้งหลายเขาโอ้โหสมัมมาสักกายบุตรไม่อยู่ในหลักพระไม่อยู่ไม่มีสิ่งไม่มีธรรมดูสิฆ่ากระทั่งต้นไม้ต้นไม้ที่มีวิญญาณทำไหมยังทำฆ่าได้ตัดต้นไม้ได้ จะแทงว่าพระเหล่านี้ไม่มีศีลไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสฮะทีนี้คนกับโคลธนากันมากไปเรื่อยๆพราะเขาเขาถือว่าอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่พระพุทธองค์ว่าไม่ใช่แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณแต่ชาวบ้านเขาว่ามีฮะทีนี้พอประกาศศาสนาไปมันก็ไม่ไปทีนี้เพราะว่าเขาไม่เคารพนับถือเลื่อมใสไม่ไปตามพระองค์เรียกประชุมสงฆ์ เขามาว่าดูก่อนสงทั้งหลายต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็จริงแต่ว่าพวกชาวบ้านเขาถือว่าวมีวิญญาณถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไปตัดดายต้นไม้ดายหญ้าเนี่ย เ, เขาว่าหาว่าพระไม่มีสิ่งเนตัดต้นไม้ฆ่าสัตว์เพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิษษุใดก็าตามดายหญ้าตัดต้นไม้ต้องอาบัดปายจิตติ มันอยากเป็นฟินัยขึ้นมาเลยเป็นศีลขึ้นมาห้ามเลยนี่แหละเพราะพระไตเจ้าท่ายจะว่าไปท่านแคร์ไหมแคร์ชุมชนแคร์มนุษย์ไหมใช่เพราะว่าถ้าว่าเขาไม่นับถือไม่เลื่อมใสแล้วจะประกาศศาสนาไปได้อย่างไรอันนี้ที่ประกาศศาสนาไปได้เพราะชุมชนเปิดประตูรับเปิดประตูยอมรับ จากนั้น่อเปิดประตูยอมรับในเรื่องของศิลแล้วแล้วก็เรื่องของธรรมภายในใจความคิดเห็นภายในใจเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจากนั้นก็เรื่องวิปัชนาจะทําจิตใจยังไงที่จะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสมันก็เปิดไปได้ตลอดแนวแถวแต่ถ้าว่าเขาปิดประตูแต่ทีแรกเท่านั้นมันจะถึงประตูนั้นได้อย่างไรเพราะคนทั้งหลายไม่นับถือเรื่มใส เพระนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ท่าน เ, ออเป็นสยามผู้รู้แจ้งโลกท่านรู้ว่าควรจะทํำยังไงควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อมวญมนุษย์ชาติในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายท่ะนศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดพวกเราอย่าแปลกใจสรุปแล้วก็คืออย่าแปลกใจอย่างพระ อ, อในครั้งพุทธกาลพระที่เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระมหากัรตปะยังไง ทำไมทําทำได้ถึงขนาดนั้นในยุคนี้สมัยนีเ้เขาก็ทำเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ถึงไม่ไม่ถึงไม่มีที่เอ ต, ตปะไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีเป็นพระที่ไม่มีไม่อยู่สํารวมในศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าทั้งที่รู้ท่านก็ตีอีก ตีความหมายอีกแบบหนึ่งพัฒานาจิตต่างนานาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเหมือนตาบอดจับ <c oughs> คาช้างจับขาก็ว่าต้นเสาเพราะมันได้จับแต่ขามันจับสีข้างก็าว่าฝาบ้านเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็นทั้งตัวเพราะนั้นมุมไรมุมหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาก็ต้องฟังฟังเหตุฟังผลทุกคู่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จากการทะเลาะวิวาสก็จะไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นในชุมชนนั้นแต่ถ้าว่าทุกคนเนี่ยถ้าจับตัวใดตัวหนึ่งจับเสาขาอย่างเดียวจับหูอย่างเดียวจับหางอย่างเดียวมันก็เถียงกันวันอย่างค้ำอ่าพันขอให้พวกเราทุกท่านอันนี้คือเรื่องการเป็นอยู่ถ้าจะถ้าจะจัดไว้เลยคือสินอรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าสิน ส่วนสมาธิคือแนวความคิดแนวความคิดเราก็ต้องยึดแนวแถวของพรอพ่อใจเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างหลวงปู่ต่างๆที่ท่านมีทำมรรคคิดอยู่ในเอ็มพสามของท่านหรื่ในเทปของท่านหรือในหนังสือของท่านหรือ ว, ว่าชีว่าประวัติของท่านท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านทําใจอย่างไรท่านยังได้สําเร็จมรรคผลเป็น กระกอธิธาของท่านได้ ก, กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้กราบได้วาเป็นสักขีพยานให้แก่พวกเราได้เห็นที่อธิธาของท่านได้ ก, กลายเป็นพระาธาตุในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าอันนั้นคือก็ถูกของพระอรหรันต์นะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วกระดูกของท่านจะไม่ไม่เป็นนะไม่เป็นพระาธาตุอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่นใจว่า ทุกวันนี้ยุคนี้สมัยนี้พ่อแม่ผู้บาอาจารย์ของพวกเรานะ่เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหรันกระโูกได้เห็นเป็นสักขีพยานอยากพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นพวกเราก็ต้องศึกษาว่าท่านที่ท่านได้กลายเป็นพระธาตุนั้นท่านพูดยังไงท่านทําอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้พวกเราต้องศึกษาแนวทางของท่านพอเราจะศึกษาแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นห่างห่างไกลเกินไปเราต้อง ศึกษาในใกล้ๆเราก่อนจากนั้นเราก็จึงศึกษาเปรียบเทียบกับครั้งพุทธการกับครั้งพุทธจักแล้วเปรียบเทียบกับพระอรหันต์ทศวรรในครั้งการ น, นู้นท่านทําอย่างไรพ่อเราได้ศึกษาแล้วมั่งครับในลักษณะแนวแถวเดียวกันเ่ยครั้งนู้นกับครั้งนี้แต่จะให้เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ตามที่จริงเปรียบเทียบเท่ากันได้ ไอ้พวกผู้ได้รับการศึกษาแต่ถ้ามาผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาให้กว้างขวางไอ้พอจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็หัวชนฝาเลยอาจารย์ข้าสอนอย่างนี้เท่านั้นแหะหยุดไม่ต้องศึกษาอย่างอื่นเราก็ไม่ว่ากันเพราะขอนับถือเริ่องใสแค่นั้นเอาก็ปล่อยไปแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายต้องฟังถ้าอยกศึกษาให้กว้างขวางแก็ต้องฟังฟังเปิดหูให้กว้างเปิดตาให้สว่างมองให้ รอบด้านศึกษาให้กว้างขวางจากนั้นเราเปรียบเทียบครูบาอาจารย์รือทาคาสอนของพระพุทธเจา้าแต่เราไม่ไม่เอาทำคาสอนของท่านมาชนกันนะเออไม่ใช่อาจารย์องค์ข่าน ด, ดีกว่าอาจารย์ของขอ ง, ของแกเออไม่ใช่ว่าจะยก อ, อาจารย์ของตัวเองขึ้นบนเวทีแล้วก็ถล่มกันไม่ใช่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ของเราไม่ใช่นัหมวยเออไม่ใช่นักแข่งขัน พวกเราจะต้องนำท่านได้อันหนึ่งท่านได้อันหนึ่งมาองค์หนึ่งได้อันหนึ่งมามาสอนเราเราถึงใจอย่างพระพระอานนท์อย่างนี้พระอานนท์ได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งที่ท่านจะได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระราเป็นพระพระโสดาบันพราะได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่นะตามตํำรับตำลาตาโบ ท่านฟังธรรมพระมันตนีบุตรพระมนตณีบุตรเถระที่ท่านแสดงจากนั้นพระอานหนอนได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระมันตนีถึงใจพอถึงใจท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระสุรดาบันเป็นกุญแจด อ, ดอกแรกที่ท่านเข้าสู่อภริยะบุคคลจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมคมสอนของพระเทเจ้าจนถึงอายุแปดสิบปีเมื่อพุ๊ เมื่อพระพุทองค์ปรินิพานพระองค์ได้พยากรณเอาไว้จากนั้นท่านก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามา ป, ปฏิบัติท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์นี่แหละอันนี้คือทำคําสอนแต่พระองค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้จํากัดว่าองค์นั้นเท่านั้นที่ฟังธรรมะองค์นั้นเท่านั้นจึงจะได้สําเร็จไม่ใช่ฟังองค์อื่นแต่มันถึงใจเราฟังและเข้าใจ จากนั้นนำมาประพุดปฏิบัติเป็นรูปธปรรมขึ้นมาถึงใจเป็นอัตเป็นธรรมเราก็นะ่ก็ได้สบายใจแล้วว่าถึงมรรคถึงผลเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาตามขั้นตอนที่เราเข้าใจนี่แหละให้พวกเราศึกษาที่นี่นเพื่อเราศึกษาแต่ถึงยังไงอย่าสับสนให้ยึดแนวแถวเอาไว้เอายึดแนวแถวอะไรก็คืออย่างหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนว่าเวลา อยู่ในความสงบอก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระพอไหว้พระอระหังสวากะโตสุปฏิปนงเต่าเท่าที่จะไหว้เท่าที่เราจะเรียนได้เอไม่ใช่ว่าเราจะสวดเป็นเล่มเป็นเล่มเขาเขียนให้ะอะไร จ, ะจับมาสวดอ่านอยู่นะไม่ใช่หรือจะทําอย่างนั้นก็ได้ถ้าเรามีเวลาเต้าจิตใจของเราปูงฟุง้งเอเราจะนั่งภาวนามันไม่อยู่ เราก็จับหนังสือขึ้นมาเอาสวดตามตัวหนังสือเสวดไปสวดไปสวดไปเพื่อไปการทำให้จิตใจของเราอยู่ในอยู่ในกรอบมันอยู่ในความแมันไม่ปรุงฟุ้ ง, งทั้นันเราสวดธรรมดาเนะี่ยไม่ได้ เ, เราจับมาสวดก็ได้แต่ถ้าว่าเราจะนั่งภาวนาเราก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ไหวพระกราบพระอราหัง กราบพระสามครั้งพุโทโธธรรมโม ส, สังโฆจากนั้นก็อาลาหังสวาระตูสุปฏิปันงเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแบบย่นย่อเอาเนื้อความเลยข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาด้วยเทินะ เพียงแค่นี้พออันนี้คือเราแผ่เมตตาเราไม่ต้องว่าอะหังจุกิโตนิตโตโขอเวโรเพราะพูดไปแล้วเราก็แปลไม่ได้เราเอาภาษาใจของเราจากนั้นก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จจะปล่อยแล้วประนมมือไหว้ครูสักก่อนไหว้พุทโธธัมโมสมโังโฆประนมมือขึ้นในระหว่างอก ไหว้ครูซะ ก, ก่อนพุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงมือเอาลงแล้วเราจะแผ่เมตตาอี ก, กได้เพราะว่าเราจะให้ใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยถือโทษไปกันแล้วเท่านั้นผูกพยาบาทอาฆาตแล้วก็เท่านั้นมันได้อะไร เวนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวนเวนจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวนเราจะไปจองเวนเพื่ออะไรอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนกี่ปีเราอายุเท่าไหร่เราก็จะต้องลาโลกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอายุแปดสิบเก้าสิบปีเราจริงจะตายไม่ใช่อาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้ตายเวลาไหนก็ได้เพราะนั้นเราจะไปพยาบาทอาฆาตให้โง่ทําไมเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางเวลาเราจะนั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิจะค่อยว่างกันมีอะไร ในขณะที่นั่งสมาธิต่อยปล่อยวางทิ้งทั้งหมดอย่าไปเอามาเข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิเอาแต่คุณงามความดีเท่านั้นในช่วงนั้นแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทโทพุทโ ท, โ ท, โ ท, โทนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น แต่ในในครั้งพุทธการมาเปรียบเทียบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิที่โคลนต้นโพน่นท่านนั่งอย่างไรท่านก็บอกว่านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้พอ กรรมฐานของหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะทําให้หลุดหลุดได้ง่ายเผลอได้ง่ายลืมได้ง่ายควรจะสำทับด้วยหายใจเข้าพุดหายใจออกโถบริกรรมพุดโท ด, ด้วยเพื่อจะให้มันแน่นขึ้นอันนี้หลวงตามหาบัวท่านก็ยอมรับท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ท่านกําหนดเพียงกำหนดลมลมหายใจเข้าหายใจออก มันหลุดได้ง่ายจากนั้นเราขาดขาดความบริกรรมจากนั้นมาท่านเคยตั้งตัวใหม่ตั้งตนใหม่บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมบอกพดหายใจออกบริกรรมว่าโถมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือบริกรรมจากนั้นเวลาเดินขาขวาพดเวลาเกิดขาซ้ายโถเวลาเดินพดโถพุดโถขาขวาพดซ้ายโถ มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเวลาปัดกวาดเวี่ยงขวาพุทเบี่ยงซ้ายโถมีการเคลื่อนไหวในร่างกายอย่างไรบริกรรมเวลานอนก็กำหนดลมหายใจเข้าจนนอนหลับนี่แหละคือให้มีสติสัมปชัญญะในทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทั้งนั้นนี่แหละ ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณนนาสัาาตยายาดโยมทุกคนอันนี้แหละคือจะทําตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจากนั้นเมื่อเราทําจิตให้สงบแล้วเราก็จะกันกรองไตรตรองเหตุและผลที่เราได้เรียนได้ศึกษามาอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันนั้นสูงอันไหนต่ำอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเราก็ได้ฟังทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเอมาเปรียบเทียบจากนั้นเราก็จะได้แยกแยะออกว่าอันนั้นถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าเราสงสัยเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์ที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในสายตาของเราจากนั้นเมื่อถามไปแล้วยังไม่มั่นใจอีกถามองค์อื่นนี้เปรียบเทียบกันท่านจะตอบว่าอย่างไร ในขณะที่เราถามนั้นนะสิ่งเหล่านี้อันนี้พวกเราใยในการศึกษาต่อไปเราก็จะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ขึ้นมาได้ใจของเราก็จะได้รับรู้เรียนรู้เรื่องต่างๆไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมได้เราจะไปปักจุดจุดจบจุดใดจุ ด, จ ด, จ ด, ด, จดหนึ่งปักจมปลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนั้นไม่น่าจะถูกต้อง พอเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราจะต้องศึกษาให้ใหกว้างขวางให้เรียนรู้แต่แต่อจะให้สับสนทางเรียนมากเกินไปก็ไม่รู้จะจับต้นปลายสาเหตุอะไรอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องที่ถูกต้องเลยอย่างาที่หลวงพ่อพูดยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นยึดแนวแถวของพระพุโคดจารที่จะนั่งภาวนาอย่างไรไอ้นี่พอเราเราก็พอจะจับประเด็นได้แล้วว่า การภาวนาจับจุดไหนประเด็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทํำยังไงนั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธนี่แต่หลวงพ่อเองแนะนาเขาไปอีกถ้าว่าจิตใจของเรามันยังมันไม่อยู่บริกรรมพุทธโธ ให้เอาพุโทโธเข้าศู่อยู่ในใจเลยเออเอาพุทโธเข้าศู่อยู่ในใจให้บริกรรมพุทโธให้ถีบอดู่ในใจให้ใจมันบดให้ใจสาสะทยายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพทโธพุทโพุทโธคือให้ไม่ให้มันมีช่องว่างที่จะทําให้จิตใจนึกปุงฟุ้งไปทางอื่นได้อันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเหมือนกันที่จะทําใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่ง แต่หลวงพ่อก็แนะนําอีกมุมมุมอีกมุมหนึ่งให้พวกเรานับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับถึงร้อยถ้ามันจะเผลเนี่ยมันจะนับหนึ่งเป็นเลขขี่สองเป็นเลขคู่เข้าเป็นเลขขี่คู่ขี่คู่ขี่คู่กี้คู่ไปะละตลอดถึงทศถึงร้อยถ้ามันจะเผล่มันจะเข้ามันจะคู่ออกมันจะคี่นะ้แต่แล้วมันเบอร์แล้วนะผิดจังหวะฮแปลว่าเราหลงอ่ะตั้งต้นไม่ เสียงเหล่านี้พวกเราฝึกการทำสมาธิเมื่อติดของเราเป็นสมาธิดีแล้วเราจะทำกิจการงานอันไหนเราจะพูดคุยหรือจะไปนาสถานที่ใดเราก็มีสมาธิในตัวเองไม่ใช่ว่าเป๋าเป๋ปั่มปเป๋าเป๋เบ้อเอเบอเบ้บาบบอๆไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะอต่ถ้ามันขาดสติน่ะถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับ ตัวเองต่อยอมรับตัวเองต่อไปกับคู้คนที่เกี่ยวข้องกับยอมรับนะพระรัชขอให้พวกเราทั้งหลายศึกษาในศีลธรรมของพระพุทธเจา้าเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องทานแห่เป็นยังไงที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องภาวนาเป็นยังไงเรื่องพระสงฆ์ในยุคนี้สมัยนี้ในยุคครั้งพุทธกาลเป็นอย่างไรให้พวกเราทั้งหลายได้สังเกตที่หลวงพอ่อให้แนวความคิด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 อยู่ในกรอบของจินธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน